ยาที่จะปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้ว่าปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมฮะอาตมาก็อถ้าออว่าเราก็ต้องถ้าออว่าเราอาอยู่ในฐานะที่จะชี้แจงได้ก็ควรจะชี้แจงว่าเราไม่สามารถจะรับสินบนนี้ได้นะแม้ว่าเขาจะเรียกว่ามันเป็นค่า น, นํารองน้ําชาหรือว่าค่าคอมมิชชั่นก็แล้วแตนะ่เพราะว่าทังทีที่เรารับสินบน ไม่ว่าในรูปใดเนี่ยมันแปลว่าเราอยู่ในฝ่ายเสยเปรียบแล้วเพราะว่าขา้อมูหน้นเหนือเรานะแล้วเขาเขารู้ว่าค่าตัวเราเท่าไหร่และเขาสามารถที่จะใช้ข้อมูลนั้นเนี่ยมามาหาประโยชน์จากเราได้ใช่ไหมฮะเราต้องระลึกว่า ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่นนั้ที่ได้ฟรีนะผมประโยชน์ที่เราได้จากเขาเนี่ยมันไม่ฟรีนะมันจะเกิดความผูกพันถ้าเป็นความผูกพันที่เขาเนี่ยมีอนานาจเหนือเรานะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาสามารถจะเอาข้อมูลเขาจะอาข้อมูลนั้นเนี่ยไปหาประโยชน์จากเราหรือจะแทกเมยอย่างไรแต่ที่แน่คือ เข้ารู้แล้วว่าค่าตัวเราเท่าไหร่ใช่ไหมฮะพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ปฏิเสธนะจะได้เขาได้รู้ว่าค่าตัวเรามากกว่า น, นั้นเะาคไม่ใช่นะฮะ <c oughs> แต่เราคิดว่าเนี่เราเราต้องถ้าเรารับเนี่ยมันแสดงมันส่งสัญญาณแล้วว่าว่าเราเนี่ยเป็นใครนะเราเป็นมูนในอุเองเขาแล้วซึ่งมันจะเป็นมันจะเป็นทั่วกับเราในระยะยาว อย่างที่ธมออกต้องตือนใจอยู่เสมอนะว่าในรุ่นนี้ไม่มีอะไรที่ฟรีผมประโยช์ที่เราได้ไม่เคยฟรีนะแล้วส่วนเราต้องจ่ายเราจะจ่ายเมื่อไรแล้วเราจะจ่ายอย่างไรเนี่ยต้องระวังในทางพุ้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องจ่ายเนี่ยมันจะเพิ่มมันจะแพงมากกว่าสิ่งที่เราได้รับเสม อ, อาชาตินี้อาจจะไม่ได้จ่าย แต่ชาติหน้าต้องจ่ายแน่พูดน่าคือว่ามันต้องจ่ายอยู่แล้วไม่วันต่ก็วันนึงและจ่ายมักจะสูงกว่าที่เราได้มาเพราะนั้นเนี่ยไม่รับเฉยเลยดีกว่านอะอันนี้เป็นข้อเตือนใจแต่ทำไงถึงเราจะพูดจาให้สุภาพนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้กุศโลบายนะ จะพูดใจยังไงเพื่อที่ทำให้เขาไม่ไม่รู้สึกโกรธเคื อ, องเราอันนี้ยตมาก็คงจะไม่สามารถจะให้คำตอบสำเร็จรูปได้ก็คงต้องพิจารณาองค์กรอาจจะต้องมีการฝึกพนักงานในเรื่องนี้ว่าเราจะปฏิเสธเซ็นบนหรือผลประโยชน์ที่ม่ชอบได้อย่างไรในลักษณะที่ไม่ทําให้เกิด ความเป็นปฏิปบัติกับผู้ให้อันนี้อาตมาคิดว่าคงต้องมีการฝึกฝนกันเพื่อให้มันออกมานุ่มนวลคำถามที่สองนะคะน่าจะต่อมาจากคำถามแรกค่ะถ้าเกิดเราถูกวัรร้อนหรือต้องถูกติดเข้าไปอยู่กับกลุ่มที่มีการคอร์รัปชันแล้วเราไม่สามารถปฏิเสธหรือถอนตัวได้เราจะใช้หลักการของพุทธศาสนาช่วยได้อย่างไรคะ ตือทั่วงกว้างคือทำใจทำใจที่ไม่ได้แปลว่าไม่ไหมายแปลว่ า, วาเออยอมนะแต่หมายความว่าอ อ, อย่างแรกคือว่าเราไม่ควรพิจกกังวลเกินเหตุนะไม่ควรพิจกกังวลเกินเหตุ แต่การที่เรามองไปมองไปถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าก็มีสิ่งที่จําเป็นแต่อย่าวิตกกังวลเกินเหตุเพราะว่ามันจะทให้อัตมารเรียกว่าซ้ําเติมตัวเองแต่ว่ามีทางใดก็ถ้าเราการแต่การที่เรามองไปข้างหน้าเนี่ยเพื่อที่จะเพื่อที่จะได้ลด ถ, ถอนผลกระทบอัตมาเพื่อจําเป็น ถ้าเราเรารู้ว่ามันจะเกิดอาจจะเกิดอะไรขึ้นมาข้างหน้าและเร า, เาพยายามที่จะลดทอนผลกระทบ น, น, นั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยในส่วนตัวของเราอาตมาเชื่อก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ควรจะควรจะควรจะยอมยอมที่จะเป็นแกะขาทำการแกะํำ ควรจะยอมนะหรือต้องใช้ความกล้าที่จะเป็นแกะขาวทํามกางแกะดําหลายคนเนี่ยยอมโอนอนอนเพราะกลัวว่าจะเป็นแกะดําแต่จริงไม่ใช่เราไม่ใช่แกะดำเราคือแกะขาวนะและเราต้องต้องพยายามอย่างน้อยให้เขารู้ว่าให้คนในกลุ่มเราพวกพร้อมเราได้รู้ว่าเราไม่ได้ยินดีนะเราไม่ได้ยินดีที่ ท, ที่จะที่จะอยู่ ที่จะยินดีในผลประโยชน์ที่ได้รับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบทำนะแล้วก็ต้องพร้อมที่จะปฏิเสธผลประโยชน์ที่มันจะตกถึงเราว่าเรานะไม่ยินดีรับอันนี้เรียกว่าพร้อมหรือกล้าที่จะเป็นแกะขาวทําการแกะดำนะแต่แก๊งที่จะมาบอกนะก็คือว่าก็อย่าไปวิตกกังวนเกินเหตุเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยทุกข์มากขึ้นหดหูมากขึ้นเลือดพวาหรือว่า เครียดมากขึ้นก็ต้องแก้ปัญหาไปนะเมื่อมันมาถึง ข, ข้าพเจ้าค่ะคำถามนี้อีกหนึ่งคำถามตอนแรกพระอาจารย์บรรยายทําไปเรียบร้อยแล้วแตขออนุญาตให้พระอาจารย์สรุปอีสักนิดนึงนะคะมีคำถามถามมาว่าหากมีเจ้าหน้าที่ขอรับสิ่งบอนและอาจจะเป็นที่จะต้องให้ค่ะหากไม่ให้งานเนอาจจะต้องหยุดะกลงได้เราจะทําอย่างไรคะ คือถ้าเป็นความควาตมาเนี่ยนะถ้าถ้าจะฟันทองออกไปเนี่ยก็ไม่ควรนะแต่ว่าถ้าจะต้องทํานะถ้าจะต้องทําก็ต้องเตรียมพร้อมรับผลกระทบที่จะตามมานะผลกระทบเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าอย่าไปคิดว่ามันอาจจะไม่เกิดใช่ไหมกรณี กรณีโรสรอยเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างที่เห็นว่าแม้สิ่งที่คุณทำเนี่ยนะมันจะมันจะผ่านไปนานเท่าไหร่แต่วันหนึ่งเนี่ยเมื่อเขาขุดค้นขึ้นมาได้เนี่ยมันจะเกิดก็จะเกิดปัญหาต่มาคิดว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนั้นนะก่อนที่จะมาถึงจุดนั้นเนี่ยคงต้องหาทางหาหาหาทางเลือกที่จะทำให้เราไม่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น ซึ่งอาตมา ก, ก็ไม่มีความรูนะ้พอที่จะบอกเป็นข้อมูลรูปธรรมได้ถ้าเราสามารถหาทางเลือกคือถ้าเราสามารถเราจะรู้ล่วงหน้ามันจะเกิดมันอาจจะเกิดแบบนี้ขึ้นเนี่ยเราพยายามหาทางเลือกอื่นที่มาทําให้เราไม่มาถึงจุดนั้นไม่มาถึงจุดที่ก็จะมายื่นคําขาดกับเราว่าถ้าเราไม่ให้เขาเราก็อดอยอย่าพยายามที่จะไม่พาตัวเองมาถึงจุดนั้นซึ่งอาตมาคิดว่า เราคงมีทางเลือกอยู่บ้างแต่ถ้าหาว่ามาถึงจุดนั้นโดยที่เราพยายามแล้วแต่ว่าก็ยังหนีไม่พ้นก็ต้องพร้อมที่จะรับผลกระทบสติอยู่เสมอนะคะขออีกหนึ่งกำถามสุดท้ายจากทุกท่านที่นั่งฟังทำวิจายค่ะมีไหมคะ ครับพระเจ้าพูดถึงเรื่องสติเนี่ยครับผมก็ทราบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่สระอาจรย์บอกว่าลารมีสิ่งเย้าโยนเข้ามาเนี่ยนะครับก็เ ข, ข้าใจว่าอาจจะมีสติวิธูสะพานหรือใจตัวเองเนี่ยที่จะไม่ไหลไปตามสิ่งเย้าโยนนั่นนะครับทีนี้จะมีวิธีอย่างไรครับที่จะฝึกสติตรงนี้ให้เราทนต่อสิ่งเย้าโยนนันได้ สติมันต้องสติระดับนี้มันต้องฝึกในชีวิตประจําวันอยู่เสมอสติในที่นี้เนี่ยหมายถึงความรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าอารมณ์ฝ่ายลบหรือฝ่ายบวกนะอารมณ์ฝ่ายบวกคือว่าเกิดความเคลิ้มคล้อยหลงไหลได้ปลืม้มนะอารมณ์ฝ่ายลบ ก, ก็ช่วความโกรธความหงความขัดขืงใจ อาตมาเชื่ในชีวิตประจําวันเนี่ยรวมทั้งในการทํางานของพวกเราเนี่ยสตินี่จําเป็นมากเลยนะเพราะว่าบ่อยครั้งเนี่ยเราทําในสิ่งที่เราไม่อยากทําหรือไม่คิดจะทําแต่มันทําไปแล้วเพราะว่าความลืมตัวเพราะความเผลอนะในการประชุมเนี่ยบางทีเราเราเราอยากจะนําเสนอนะแต่ว่าสุดท้ายเราก็ไม่ได้ทําอย่างที่ต้องการเพราะาเกิดความโกรธ การที่เราการแทนที่เราจะชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลเรากลับแสดงอาการโกรธโมโหเพราถูกวิพากษ์วิจาร์พราะถูกถูกสักค้านอะไรต่างเนี่ยอาตมาคิดว่าปรากฏการม์แบนี้เกิดขึ้นกับเราอยู่บ่อยๆหรือแม้กระทั่งในชีดในชในชีวิตประจำวันของเรากับลูกกับครอบครัวกับพ่อแม่กับคนรักเราอยากจะพูดดีๆกับพ่อแม่แต่เราอดไม่ได้ที่ ตวาดใส่หรือว่าขึ้นเสียงแล้วเราก็เสียใจอันนี้เป็นเรื่องของการที่ไม่มีสตินะมันไม่ใช่เป็นเรื่องขอ ง, ของปัญหาที่ที่ทํางานอย่างเดียวฉั้นแต่ถ้าถ้าเกิดเราฝึกสติเนี่ยฝึกสติเช่นว่าหมั่นสังเกตใจตัวอยู่เสมอหมั่นสังเกตใจตัวไม่ว่าสุขหรือทุกข์ไม่ว่าดีหรือร้ายขึ้นหรือลงแล้วถ้าเราถ้าเราพยายามอยากจะทําให้ดีกว่านั้นเนี่ย ทำให้เป็นส่วนของชีวิตประจำวันก็คือว่าเวลาเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเราทําอะไรใจเราก็อยู่กับสิ่งนั้นนี่เป็นการฝึกสติเหมือนกันนะอาบน้ำถูฟันเก็บที่นอนทําครัวล้างจานนะใจเราอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทําด้วยใจที่เต็มร้อย บ่อยครั้งเนี่ยเวลาเราทำอะไรเนี่ยเช่นเราเรากำลังอาบน้าเนี่ยบางทีเรานึกไปถึงสิ่งข้างหน้านแล้วว่าเดี๋ยวเราต้องทำอะไรต่อไปหลายคนเวลากินข้าวเนี่ยนะปากมันเคียวนะแต่ว่าใจเนี่ยไปคิดถึงงานที่ต้องไปทาตอนบ่ายนะเราไม่ได้ทำด้วยใจเต็มร้อยการที่เราไม่ได้ทำด้วยใจเต็มร้อ ย, เ, ย, เ, อยเนี่ยนะทำด้วยใจที่มันขึ้นขึ้นกลางๆเนี่ยนะ บางครั้งอจดูเหมือนดีมันมีความคิดเรื่องว่าทําหลายอย่างพร้อมกันเช่นมัลติแทสกิ้งมัลติทัสกิ้งเนี่ยอันนี้ในวงการธุรกิจนะอาจจะอาจจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่สําหรับอาตมาแล้วเนี่ยการทำอย่างั้นเนี่ยมันทําให้เราไม่มีสติอยู่กับสิ่งที่เราทําอย่างเต็มที่ติตขอเราเนี่ยถูกแยกเป็นเสียงเสียงและโอกาสที่เราจะ จะลืมตัวเผื่อตัวเนี่ยก็จะง่ายขึ้นไม่มีคาพูดว่าเดินทีละก้าวปินข้าวทีละคำ ท, ำทําทีละอย่างนะเวลากินข้าวก็กินข้าวอย่าเพิ่งไปนึกถึงสิ่งที่ต้องทําต่อไปอย่าไปต้องนึกว่าจะต้องทำอะไรข้างหน้าแลายคนเนี่ยกินข้าวเนี่ยกินข้าวด้วยความรีบร้เพราะว่าอยากจะคิดถึงว่าเดี๋ยวต้องทําอะไรข้างหน้านะอันนี้ดูเหมือนดีนะแต่ว่ามันเป็นผ เ, เ, เสียต่อสุขภาพ แล้วมันทำให้ใจเราเนี่ยไม่มีสติสติคือการที่ใจเราเนี่ยแม้ว่ามันความหมายหนึ่งคือว่าทำอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้นรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่เมื่อเรารู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่เนี่ยต่อไปก็ง่ายที่เราจะรู้ว่ากาลังเกิดอารมณ์หรือความคิดฟุ้งซ่านใดเกิดขึ้นในใจถ้าเราไม่รู้ตัวว่ากลังทำอะไรอยู่เนี่ยการที่เราจะไปรู้ทันอารมณ์เมื่อมันมีสิ่งรอดเรายวยนมันก็ยาก งันะ้นถ้าเราอยากจะให้มีสติรู้ทันสิ่งรอเราเยาวยวนหรือรู้ทันสิ่งที่มายั่วยุเราต้องเริ่มต้นจากการที่เราฝึกสติให้รู้ให้รู้ตัวเวลาทำอะไรก็ตามนะเมื่อเรารู้ตัวว่าเราทำอะ้รก็ตามเราจะรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อมีอะไรมากระทบนะอันนี้เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นการฝึกสติในชีวิตประจำวันนะซึ่งถ้าใครต้องการฝึกสติให้มากขึ้นก็อาจจะไปเข้าคอสปฏิบัติทาให้มัน เข้มขึ้นก็ได้นะแต่นี่คือสิ่งที่ทำได้ในชีวิตประจำวันนะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีนะคะขอบค่าขอบคุณพระอาจารย์ไพศาลนิสาโรค่ะขอขอบคุณทุกคำถามดีๆนะคะในวันนี้ทีราได้